อนาปฏิวานพิกษุีตอบัวนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 752. 1. ภหิกษนึ่งพิุีผู้ออกปากขอของนั้นเพิ่มและออกปากขอของคู่อย่างอื่นสองพิกษุีแสดงอนิสงฆ์แล้วจึงค่อยออกปากขอ 3. ภพิกษุีวิกลจริต 4. ภพิกษุีต้นบัญญัติสิขาบทที่ 4. จบ